นิพสาขะบูชานัถามอห้หมดเอ้าทำไรคู่หลังแม่เออเราเนี่ยๆหารไปถามหาใครฮะเอาก็ได้เอาก็ได้เป็นไงวะไอ้เบสเรียนหลวงตาค่ะคือเห็นข้อเสียตัวเองเยอะมากค่ะว่าเมื่อเพลินแล้วที่หลวงตาสอนตรงเมื่อสักครู่ค่ะว่าอะไรอวรนในอารมณ์ทุกเบสเป็นเลยค่ะหลวงตาเป็นอย่างมากม แล้วก็แต่พอมาอยู่ใกล้อาจารย์ค่ะก็ด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เลยเข้าใจว่าอ๋ออะไรอาวรนแล้วควรจะออกมาจากการอะไรอาวรนนี้ยังไงมันออกได้เลยนะขาหลวงตาพอออกเสร็จก็เลยเห็นว่าออกแล้วมันดียังไงทำไมก่อนหน้านี้ออกไม่เป็นสาธุเลยสาธุสาธุ<แ>ออกได้ออกตลอดนะสาธุกออกให้ถาวอนแล้วก็พ้นทุกถาวอเลย เลยค่ะ <c oughs> คือแล้วเลยเห็นว่าอ๋ <c oughs> อ <c oughs> มันเป็นเพราะว่าเหมือนคําที่อาจารย์บอกเลยค่ะว่ามันอะไรอวบนจริงคือมันเหมือนมันโง่งมอยู่อะค่ะมันไม่เป็นอะไรเลยแต่พอได้ฟังหลวงตาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อออกมาแล้วมันก็ดีอย่างนี้แล้วตั้งใจว่าจะไม่เข้าไปเอ้เข้าตั้งใจว่าถ้าเข้าไปแล้วจะออกมาบ่อยๆต้องรู้สึกตัวแบบนี้ค่ะสาธุตั้งใจเป็นบุญกุศลละนับแต่ว่าตั้งใจวันนี้พิศขาบูชา ต่างใจอย่างนี้เป็นบุญทันทีนะอขอถามนะคะหลวงตาคือว่าเบดก็ยังมีความโลภอะคะ่ะอยากได้นู่นนี่นั่นแต่ว่าหนูคิดว่าอันอันนี้หนูอ่านใจตัวเองค่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าหนูอยากได้แล้วถึงเวลาณวันหนึ่งหนูก็คือหนูตั้งใจที่จะได้มาเพื่อที่จะใช้มันเพื่อดำรงชีวิตอยู่ ให้อย่างดีที่สุดหนูไม่ได้คิดว่าหนูต้องรวยล้นฟ้าหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแค่อยากได้มันเพื่อให้ดํารงชีวิตได้ในระดับหนึ่งเพื่อที่จะดูแลตัวเองได้จนตลอดรอดฝั่งเบสคิดแบบนี้ไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดแล้ว น, นี่มันไม่ได้เป็นกิเลสเป็นความโลภอะไรตอนดารงชีวิตแต่ว่าพอจริงๆแล้วค่ะมันก็หุยอยากได้เยอะกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็พยายามเห็นนะคะแต่หนูก็พยายามสํานึกและพิจารณาในใจว่า คือมีอะไรก็แล้วแต่เราต้องพร้อมที่จะเสียไปคือหนูคิดอย่างนี้นะคะหลวงตาแต่ใจหนูอ่ะบางทีมันมันไม่เป็นตามที่หนูตั้งใจว่าหนูจะคิดแบบเนี้ยค่ะอันเนี้ยหนูก็เลยต้องบอกตัวเองบ่อยบอันนี้คือหนูขาดการพิจารณาหนูก็ได้เห็นว่าเอาหนูต้องพิจารณาแบบนี้บ่อยๆแล้วก็พิจารณาเหมือนที่หลวงตาสอนค่ะแต่หนูขอให้หนูตั้งใจแบบนี้ไปตลอดสาธุสาธุเราใช้ความรู้ความสามารถสอบได้แล้วก็จะไปตอบ สอบไอ้เลื่อนขั้นเลื่อตนตําแหน่งเป็นผู้อาวุโเป็นนายการสอบได้ไม่ใช่แบบเป็นเรื่องผิดศีลผิดธรรมที่ห้ามคือผิดศีลผิดธรรมมีความโลภโมโทสันมากมายอย่างนั้นแน่มันเป็นทุกมันเป็นความเดือดร้อนอันนี้เราจะต้องอ่านหนังสือสอบให้ลุงเลื่องชีวิตเจริญลุ่งเรืองก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถอันนี้ไม่ได้เป็นกิเลสอะไรมันเป็นชีวิตความเป็นอยู่ เราก็จะต้องตอบด้วยความตั้งใจขยนันขยันเล่าเรียนเขียนอ่านขยันท่องจําขยันเล่าเรียนขยันสร้างบารมีก็ไปละบาปคิดดีพูดดีตามบุญตาบุญสนเราเป็นผู้หญิงเนี่ยมันต้องมีเครื่องอยู่มีทรัพย์สินเดินทองมีเครื่องอยู่ให้มันรอดไม่เหมือนผู้ชายผู้ชายสละกปุ๊บผมผ้าเหลืองบาทได้เดียวตวเวไปได้ทั่วทั่วประเทศเนี่ยตอนเช้าก็สระパイบาทปุ๊บก็บไปแล้ว เดินออกไปก็ได้ข่าวได้ข่าวมาฉันแล้วผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงแม้แต่พ้นทุกข์แล้วก็ต้องดำเนินชีวิตให้อยู่ให้ได้ต้องมีสมบัติสถานติดตัวเตรียมไว้ต้องหาอยู่นะต้องหานอกจากล่วเราผู้หญิงพ้นทุกข์แล้วมีมีคนที่จะเกื้อกูลได้มีครอบครัวหรือว่ามีพี่น้องมีใครมีเพื่อนฝูงจะเกื้อกูลได้อ น, นี้ก็ได้ผู้หญิงก็อยู่นเอผู้หญิงจะออกมาโดยมีคนเกื้อกูลไม่ได้นะ ต้องมีคนเกื้อกูลไปอยู่วัดอยู่วานี่ลาบากผู้หญิงก็ลําลบากแต่ถ้ามีความรู้ความสามารถจะอ่านหนังสือเลื่อนสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอ่านหนังสือสอบราชการสอบอสอบุคคลได้หมดนะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นความโลภโมโทิสารอะไร <S <S อะมันเป็นอาชีพเป็นการประกอบอาชีพสมาชีวโวะเป็นการประกอบอาธีพไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายอะไร แต่ข้อเสียค่ะไม่รู้จักแบ่งเวลาเดี๋ยวหนูต้องแบ่งเวลาให้มากกว่านี้ค่ะอืมข้อเสียอื่นมีมากกว่านี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าดูสือสอบอะไรหรอกข้อเสียอื่น่เพลินเพลินเจริญใจน่นน่ะมีมากกว่านี้เยอะเสียหายไปมากมายเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเพลินเพลินเจริญใจวันวนึงเนี่ยอันนี้มีข้อเสียมากกว่าถ้าไม่เพลินเพลินเจริญใจอ่านหนังสือสอบจริงๆตั้งใจจริงมาสอบได้นานแล้วเว้ย ค่ะแล้วทําไงคือหนูเนี่ยค่ะหนูคิดว่าข้อเสียคือเพื่อเพลินเจริญใจแล้วมันก็อะไรอาวอนก็เลยพยายามจะออกออกมาอย่างนี้หนูมก็จะถูกแล้วใช่ไหมคะจะไปเป็นในทางเดียวกันในอันเดียวกันเนี่ยคือเพื่อเพลินเจริญใจกับอะไรเอาวอนเนี่ยมันไปอะไรเอาวอ์ในสิ่งที่เราเพื่อเพลินเจริญใจทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรอาวอ์เพื่อเพลินเจริญใจไปกับคิดเพลินเพลินคิดเพลินเพลินมองอะไรเพลินเพลินฟังอะไรเพลิเพลินแล้วเราก็ไม่อยากจะละสิ่งนั้นออกมาอะไรเอาวอ์สิ่งนั้น อกิเลสมันลากเราไปไงอันนั้นนำมาหนักหนาสหาหัสยิ่งกว่าเราไปไปดูหนือสอบเองเดี๋ยวหนือสอบมัน ไ, ไปกิเลสเลยหรอกเออมันเป็นหน้าที่เดี๋ยวเกิดมาเราก็ต้องเราเรียนเขียนอ่านขยันทำมาหากินในทางที่ชอบอืไอ้กิเลสเจะต้องละอืความอะไรไอวรในทางกิเลสเนี่ต้องละทางตาหูโหน่ิแก่กใจอะไรอวรกิเลสในทางความคิดในอารมณ์เนี่ยมันคิดแล้วเอ้อมีอารมณ์ ใครบ้างละ่ะมันต้องมีอารมณ์ทุกคนแหละคิดถึงได้สัมผัสสัมผันธ่ผู้ชายถูกสเปคคิดถึงสัมผัสสัมผัสได้ผู้ชาผู้หญิงถูกสเปคเนี่ยใครบ้างไม่มีอารมณ์เพลอเนี้ยทุกคนมันก็ต้องมีมันก็ต้องอยากทั้งนั้นเนี่ทุกคนมันมีอารมณ์ทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีแต่มันมีว่าใครจะหักข้ามใจตัวเองได้ขนาดไหนแล้วรู้เต่าทันขนาดไหนรู้เท่าทันแล้วก็เอาชนะใจไปตัวเองได้ขนาดไหนไอ้ตัวเนี้ยสาคัญไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดนะมันเกิด แต่เอาชนะมันเรื ilim, ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็หมดแรงไปหมดกาลังไปกิเลสอ่ะพราเอาชนะมันเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เ <c oughs> ราอะเหมือนขึ้นต่อยกันบนเวทีอะต่อยกับกิเลสอ่ะมันต่อยเราชนะเรื่อยๆเราไม่ได้ชนะมั้สักทีมันก็โหมันก็ต่อยเราแย่งเงี้ยแต่เราต่อยมาเรื่อยๆชนะมันเรื่อยๆชนะมาเรื่อยๆเราก็รู้ทางมันเรื่อยๆเราก็อาชนะมันได้เรื่อยๆต่อไปมันก็สู้เราไม่ได้นั่นแหละไม่มีใครเลาไม่มีกิเลสอ่ะมันก็ต้องมาจากกิเลสนั่นแหละ อุตจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ต้องมาจากกิเลสไม่งั้นไม่มีกิเลสจะมีพิมพ์พาออกมาได้มีราหุนออกมาได้เหรอมัต้องมีกิเลสมะพ<อ>ระอรหันต์ทั้งหลายก็มีกิเลสมาทั้งนั้นแหละแต่ที่สุดอน่ยท่านก็เอาชนะกิเลสจนสิ้นกิเลสได้ดอกบัวเกิดจากโคนต้นนี่ดอกบัวมันเกิดจากไหนอ่ะก็เกิดมาจากขี้โคนนี่แหละก็เกิดมาเป็นดอกบัวที่สวยงามมาบูชาพระได้ แล้วเนี่ยนิพพานนั่นก็เกิดตรงสิ้นกิเลสนี่แน่แล้วนั่นไม่ได้เป็นนิพพานที่ไหนหรอกนิพพานันก็สิ้นกิเลสนี่แน่แล้วเนี่ยคุณของกิเลสมีอยู่ถ้าไม่มีคุณของกิเลสเราเราจะปฏิบัติตรงไหนอ่ะเราก็ปฏิบัติจนรู้ต่อทานกิเลสจนสิ้นกิเลสนี่แน่จนเหนือกว่ากิเลสได้ก็บรรลุนิพพานถ้าไม่มีนิถ้าไม่มีกิเลสเราจะบรรลุนิพพานได้ไงอ่ะคุณของกิเลสมีอยู่ พอมีกิเลสเนี่ยจริงทำให้เราเนี่ยมีคู่ชกพอมีคู่ชกทําให้เราสามารถเอาชนะคู่ชกได้เราก็บรรลุนิพพานได้ถ้าไม่มีคู่ชกเราจะไปชกกับใครแชมป์โลกไปอยู่ที่ไหนมันต้องมีคู่ชกมาก่อนเออเพอเจอกิเลสเป็นคู่ชกเออต้องขอบคุณกิเลสที่เป็นคู่ชกทําให้ไต่ไต่เต้าขึ้นไปชิงแชมป์ได้นี่แนวที่พระเจ้าสอนเอมาหากศสปะ ที่บอกว่าสิ่งที่เราพูดเราก็ได้พูดจนหมดแล้วสิ่งที่พูดได้สอนได้ได้พูดจนหมดแล้วแต่สิ่งที่ไม่สามารถพูดได้สอนได้เนี่ยที่มันรู้แก่ใจอ่ะมันไม่สามารถที่พูดได้อันเนี้ยมันรู้แก่ใจของเจ้าของดีมันมันไม่สามารถเอามาสอนพูดได้อันเนี้ยได้ถ่ายทอดแก่มาหมากัดสะป่าไปแล้วคือพรองค์ก็เอาดอกบัวขึ้นมาเนี่ยพร้อมทั้งรากทั้งกีโคนติดมาด้วยเนี่ยทั้งดอกเนี่แหละแล้วก็ชูผ่านหน้าพระ สาวกทั้งหลายเนี่ยโดยไม่ไม่ใช้คําพูดใดเลยสอนโดยไม่ใช้คําพูดใดเลยดอกบัวที่มีเนี่ยทั้งรากมาเนี่ยมีกี้โคนติดเนี่ยผ่านหน้าพระภาษสาวกทั้งหลายอะ่ะโดยไร้คาสอนนะไร้คาพูดไม่มีคําพูดใด อ, ออกจากปากพระองค์เลยพอมาถึงพระมหากัรสปากันนั่นแหละองค์ดอกบัวที่มีตั้งรากทั้งกี่โคนเนี่ย อยู่ต่อหน้าพระมหากาัสสปะแค่นั้นแหะชูวไว้นันแะพระมหากาัสสปะบรรลุอลหรหันต์เลย mm hmm. กิเลสก็เกิดจากใจความสิ้นกิเลสเกิดสิ้นที่ใจ mm hmm. ดอกบัวก็เกิดจากโคนตมที่สกปรกนี่แน่ที่โคนก็เหมือนกับกิเลสนี่แน่ดอกบัวก็ที่มันแตกกิเลสขึ้นมาได้ก็เกิดจากกิเลสนี่เอง ใจที่เหนือกิเลส ท, ทั้งหลายใจที่เหนือกิเลส ท, ทั้งหลายก็สิ้นที่ใจกิเลสดับไปที่ใจเพราะมากัสปะเห็นดอกบัวที่มีขนตมติดมา ก, ก็สิ้นกิเลส ท, ที่ใจแล้วเข้าถึงใจแท้ๆใจแท้ๆไม่มีกิเลสกิเลสเป็นเพียง ของจรมาไม่ใช่เป็นใจกิเลสเป็นเพียงแค่เหมือนเมฆลอยมาบังพระอาทิตย์พระอาทิตย์เปรียบเหมือนใจหรือจิตเดิมแท้กิเลสเปรียบเหมือนเมฆที่มาบังพระอาทิตย์หรือพระจันทร์นเศติภาคํามอย่างวันนี้วันวิสาขาบูชาดงนั้นกิเลสเป็นเพียงแค่ของจรมา หากเราไม่เข้าไปพัวพันกิเลสไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นกิเลสที่เกิดในใจกิเลสก็เป็นเพียงเมฆที่ผ่านมาไม่อาจทําอะไรใจได้ใจก็เป็นของว่างเปลา่าธรรมชาติของใจเป็นความว่างเปล่าอยู่แล้วจากกิเลสแต่เพราะว่าเข้าไปยึดถือสิ่งใดเข้ามาพัวพันใจนั่นแหละมันจึงเอากิเลสมาบังใจ แต่แต่จริงใจไม่มีกิเลสใจเปรียบเหมือนพระอาทิตย์หรือพระจันทร์เป็นสิภาคำ่ำแต่กิเลสเป็นเพียงแค่จรมาเป็นครั้งคราวไม่ได้มีอยู่โดยถาวรถ้ากิเลสมีอยู่ในมีอยู่ถาวรไม่มีใครดับกิเลสได้เพราะฉะนั้นใจของเราไม่ได้มีกิเลสอยู่ตลอดเวลาท่านจึงเรียกว่ากิเลสเป็นเพียงของจรมาเป็นสิ่งที่จรมา เหมือนเมฆที่ลอยมาบางาังพระอาทิตย์หรือพระจันทร์วันเพลนสิ บ, าาบ้าค่ำบัรวิสาขบูชาตอนนี้หากใจเราเนี่ยรู้เท่าทานกิเลสไม่หลงไปตามกิเลสใจเราก็จะหลุดพ้นจากกิเลสได้เหมือนที่หลวงพูดดุนนตโลว่าความโกรธมีอยู่ไม่มีใครสามารถดับความโกรธให ให้หายขาดสนิทได้เพียงแต่รู้เท่าทันความโกรธนั้นก็ดับไปเองความโกรธมีอยู่ไม่ไม่มีอาจไม่อาจใครที่จะดับความโกรธนั้นได้เพียงแต่รู้เท่าทันความโกรธนั้นก็ดับไปเองกิเลสทั้งหมดไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาเป็นแค่จรมาเป็นครั้งคราวขณะที่กระทบ หากใจเราเนี่ยไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวพัวพันสิ่งที่มากระทบทตา่างๆหูเจมูลินกายใจในขณะปัจจุบันนั้นก็จะไม่หลงไปตามกิเลสไม่ไปมีกิเลสกับสิ่งใดให้เป็นทุกข์ความทุกข์เพราะส่งจิตออกนอกไม่รู้เท่าทันในขณะที่มากระทบทตา่างๆหูเจมูลินกายใจทรงจิตทรงจิตสรงใจออกไปนอกไปไปมีไปเกาะเกี่ยวพัวพันไปมีความสัมพันธ์ไปเกาะเกี่ยวพัวพัน แบบสิ่งที่ถูกรับรู้ในขณะปัจจุบันนั้นคือรูปรสกินเลสสัมผัสธรรมารมณ์ในขณะปัจจุบันนั้นจึงมาเอาเป็นกิเลสมาเป็นไฟเผาใจอักสิ่งนั้นเขาอยู่อย่างนั้นจิตใ จ, จไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวบัพันเอามาเป็นกิเลสเป็นไฟเผาใจใจเขาก็เป็นความว่างเปล่าอย่างนั้นเหมือนดังที่พระุทธเจ้าตัดกับพระอานนท์ว่ะอานนท์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าดับขันพรริปิพานไปแล้วจะทําอย่างไรกับผู้หญิงดี เมื่อพระพุทธเจ้าดับขันธิพิานไปแล้วจะทำยังไงกับผู้หญิงดีพระพุทธเจ้าตัดตอบว่าอา น, นุนผู้หญิงของสวยงามในโลกผู้หญิงที่สวยงามในโลกนี้ไม่ได้เป็นกิเลสนี่ฟังให้ดีนะของสวยงามหรือผู้หญิงที่สวยงามในโลกนี้ไม่ได้เป็นกิเลสสำหรับผู้ชาย จะเป็นกิเลสต่อเมื่อใจของเราเข้าไปเกาะเกี่ยวพัวพันเขาหากใจของเราไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวพัวพันเขาจะไม่เป็นกิเลสดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายจึงสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้ในทาารามกลางที่โลกนี้มีทั้งผู้หญิงสวยและผู้ชายหลอ่อเพราะใจของท่านไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวพัวพัน ผู้หญิงหลายท่านก็บรรลุอรหันต์ได้ผู้ชายหลายท่านก็บรรลุอรหันต์ได้ในธรรมกลางที่โลกนี้ก็ยังมีผู้ชายหล่อมีผู้หญิงสวยอยู่ดังนั้นเนี่ยผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยไม่ได้เป็นกิเลสคนที่ไปทําบุญที่วัดท่านมีทั้งผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยก็มีผู้ที่ไปทําบุญไปฟังธรรมก็มีทั้งผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยก็ยังมีอยู่ ด้าในโลกที่ท่านเดินไปบินทาบาทก็มีทั้งผู้ชายหล่อผู้หญิงสวยแต่ท่านก็สามารถบรรลุพระนิพพานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกิเลสเกิดจากใจที่เข้าไปเกาะเกี่ยวพัวพันทั้งรักทั้งชงังถ้าใจไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวสิ่งใดทั้งรักทั้งชงังในขณะกระทบนะในขณะที่กระทบในปัจจุบันนั้นในขณะที่มีการกระทบทางตาหูจมูกนกายใจในขณะปัจจุบันนั้นไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวพัวพันทั้งรักทั้งชงัง ก็จะไม่มีกิเลสไม่ใช่ทุกยาเป็นกิเลสหมดบรรลุนิพพานไม่ได้และไม่ใช่ว่ากิเลสไม่อยู่ในใจอย่างถาวรถ้ากิเลสไม่อยู่ในใจอย่างถาวรบรรลุนิพพานไม่ได้ดังนั้นเมื่อทารู้เท่าทันทุกขณะจิตปัจจุบันที่กระทบมีสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจัะที่ใจปล่อยวางที่ใจอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงจิตออกนอกไปเกาะเกี่ยวผูพานรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส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 ตั้งอยู่ที่ใจของเจ้าของก็เลยมีความรู้ที่ใจของเจ้าของตลอดเวลาแต่ถ้าขณะกระทบในทุกขณะปัจจุบันเอาสติไปตั้งที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสที่ธรรมลมเราก็จะไปรู้เรื่องแต่เรื่องของเขาเราไม่รู้เรื่องของใจตัวเองจึงต้องเอาสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจ ยึงจะรู้เรื่องของเจ้าของตลอดเวลาจงสติตั้งที่ใจสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้ไหนสติอยู่ที่นั่นถ้าสติอยู่ที่ใจก็เลยมีความรู้เรื่องของใจของเจ้าของตลอดเวลารู้ซื่อซื่อรู้จิตซื่อซื่อจิตเป็นอย่างไรรู้ไปอย่างนั้นรู้ซื่อซื่อรู้จิตซื่อซื่อทุกขณะปัจจุบันรู้ซื่อซื่อรู้จิตซื่อซื่อทุกขณะปัจจุบัน จิตเป็นอย่างไรรู้ไปอย่างนั้นอย่าส่งจิตออกนอกรู้แต่จิตใจของเจ้าของจิตเป็นอย่างไรรู้ไปอย่างนั้นจิตเขาเป็นอย่างนี้อย่าอยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอย่าอยากให้เป็นอย่างนี้นี่เป็นกิเลสตัณหาเป็นทางเดินตรงข้ามพระนิพพานอย่าดาเนินทางนี้เป็นอันขาดรู้ซื่อ รู้จิตซื่อๆทุกขณะปัจจุบันนี่แน่เป็นทางแห่งพันนิพานสติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันถ้าเอาสติตั้งที่ใจมันก็เลยรู้เรื่องของใจเราตลอดรู้เรื่องของจิตใจเจ้าของตลอดแต่ถ้าเอาสติไปตั้งที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสขณะที่กระทบ มันไปรู้แต่เรื่องของเขาพูดแต่เรื่องของเขาติจินินทาว่าร้ายแต่เรื่องของเขามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับเราเลยที่จะตามที่จะพ้นทุกข์มันอยู่ที่ว่าทุกขณะปัจจุบันสติตั้งที่ใจหรือไปตั้งที่อารมณ์ที่ถูกรู้ล่ะถ้าสติไปตั้งที่อารมณ์ที่ถูกรู้เขาเรียกว่าไม่มีสติไม่ใช่มีสติสติตั้งที่ใจดูที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจจึงเรียกว่ามีสติ แต่ถ้าเอาสติไปตั้งอารมณ์ที่ถูกรู้คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจิตสีธรรมอารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติพุม่มไปรู้เรื่องแต่ภายนอกไปรู้เรื่องแต่เขาแต่ไม่รู้เรื่องใจของเจ้าของแต่เวลาเราทําอะไรในทุกขณะปัจจุบันเนี่ยต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในสิ่งที่กําลังทําอยู่ไม่ให้ผิดพลาดทุกขณะปัจจุบันเนี่ยต้องมีสัมปชัญญะ อยู่ในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ในกำลังคิดกำลังพูกาลังทำอยู่ไม่ให้ผิดพลาดแต่สติต้องตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อวางที่ใจด้วยอยู่ตลอดเวลาจึงจะรู้เรื่องของใจเจ้าของเนี่ยให้สำรวจตรงนี้เนะี่ยสำรวจเจ้าของเองทุกนาปัจจุบันไม่มีใครช่วยใครได้นะเราต้องช่วยตัวเราเองเมื่อเราส ต, ติตั้งที่ใจเราจึงจะรู้ว่า ใจไม่เคลื่อนไหวแต่มีสิ่งเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เคลื่อนไหวตลอดเวลาส่วนใจหรือจิตเดิมแท้ๆหรือวิญญาณนั่งเดิมแท้ๆไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยเคลื่อนไหวไม่เคยแตกไม่เคยทําลายแต่มีสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ในใจตลอดเวลาคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดดับอยู่ตลอดเวลาในใจของเราทุกอย่าง ทุกกิริยาการมันเกิดดับที่ไหนเล่าก็เกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับนั่นแหละเพราะสติมันตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจสังเกตที่ใจตลอดเวลามันปล่อยวางอยู่ตลอดเวลาภายในใจเราคือปล่อยวางสิ่งที่เกิดดับอยู่ในใจตลอดเวลามันเลยลึมจึงไม่ไปยึดถือสิ่งที่เกิดดับในใจเมื่อปล่อยวางสิ่งที่เกิดดับอยู่ในใจตลอดเวลาปล่อยทุกอย่างมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองอยู่ในใจไม่เข้าไปยึดถือสิ่งที่เกิดดับอยู่ในใจ มันจึงพบใจที่ไม่เกิดดับนี้เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะพบใจได้คือต้องสิ้นสังขารหรือสิ้นยึดถือสังขารที่เกิดดับได้ร่างกายเป็นสังขารที่เกิดดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดดับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภา ย, ภายนอกเป็นสิ่งที่เกิดดับต้องสิ้นยึดถือสังขารที่ใจ มันจะสิ้นยึดถือสังขารภายนอกทั้งหมดยินยิษยินสิ้นยึดถือสังขารที่ใจที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับที่ใจปล่อยให้เขาเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองและเราก็จะพบใจที่ไม่เกิดดับทุกขณะปัจจุบันเรามีความเป็นอยู่ด้วยการตั้งใจคิดจงใจคิดพยายามคิดคิดดิ้นโลนคิดค้นหาคิดพยายามคิด วิเคราะห์คิดอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นมีแต่เราคิดเราคิดเราคิดเราจงใจคิดเราต้องฝึกปัจจุบันทั้งปล่อยให้ความคิดเขาคิดกึมในเองแต่เราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจคิดไม่ได้จงใจคิดไม่ได้พยายามคิดไม่ได้มีเจตนาคิดเราตจงเว้นขาดจากการที่เอาตัวเราเนี่ยไปตั้งใจคิดเจตนาคิดพยายามคิดหรือจงใจที่จะคิด ปล่ให้ความคิดความนึกความตึกความตองเขาเกิดขึ้นเองและดับเองเกิดเองดับเองโดยไม่มีผู้เสวยไม่มีผู้เข้าไปยึดบ้านถือมั่นปล่อยให้เกิดเองดับเองเขาเกิดเองดับเองอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีใครเข้าไปเสวยไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็ต้องฝึกหัดจกนกระทั่งมีช่วงขณะหนึ่งที่เรากลับมาจากที่ทํางานกลับมาอยู่บ้าน แต่ทุกขณะปัจจุบันเราก็ต้องสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่พอเรามาอยู่บ้านคนเดียวเงียบเงียบมาจะว่าเงียบเงียบมานั่งหลับตานะเรามาอยู่คนเดียวเงียบเงียบเราก็สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ใจไล่ใจปวางที่ใจแต่ไม่ได้ว่ามีเจตนานะต้องฝึกหัดให้ไม่มีเจตนาต่คิดไม่มีความจงใจไม่มีความพยายาม ไม่มีเจตนาไม่มีความจงใจไม่มีความตั้งใจไม่มีความพยายามที่จะคิดแล้วก็ไม่มีความจงใจที่จะดูที่จะรู้ที่จะเห็นไม่มีความพยายามที่จะดูจะรู้จะเห็นไม่มีความตั้งใจหรือวิเจตนาที่จะดูจะรู้จะเห็นสรุปแล้วเน enfin ี่ยทั้งไม่ตั้งใจคิดและไม่ตั้งใจเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นณเสี้ยววินาทีเสี้ยวขณะจิตหนึ่งก็จะ เห็นจิตเกิดขึ้นเองดับเองและผู้รู้ก็รู้ขึ้นมาเองจิตก็เกิดขึ้นมาเองและผู้รู้ก็รู้ขึ้นมาเองนั่นแหละเราจึงพบกับใจที่ว่างเปล่าที่ไม่เกิดไม่ดับฝึกฝนเข้า น, นะแล้วเราจะพบความจริงอันนี้ได้ก็สมควรแก่เวลาแล้วไหมพวกเราก็ไม่ได้กินข้าวกันด้วยขออํานาจและอนุภาพวันนี้เป็นวันวิสาขาบูชาด้วย อำนาจและอำนาจแต่พุทธคุณทำอาคุณพระสังกคุณนั้นไม่มีที่สุดไม่มีประมาณบุญกุศลบุญไปมีกกงามความดีที่ทุกท่านได้กระทามาแล้วรวมกับพุทธคุณบิดามารดาพระแม่ครูบาอาจารย์และบุญบารมีที่ทุกท่านได้กระทำมาทั้งหมดจงโลนตรบเดชพระราปัจจะดยประดานให้ทุกท่านจงพ้นจากทุกพ้นจากทุกมีความสุขกายสุขใจมีความสุขควาเจริญรุงเรลืองทั้งทางโลกทางธรรมให้ได้บปรลุมากผลนิพพานสมความมุ่งมั่นปรารถนาด้กันทั้งหมดทุกคนทุกท่านด้วยเถิด